วันนี้เป็นวันที่18มีนาคมพุทธศักราช2555วันนี้เห็นาาศรัทธาญาติโยมมามากแล้ววันนี้เป็นวันอาทิตย์ด้วยนะวันอาทิตย์ด้วยแล้วก็วันนี้เป็นวันทำบุญของอบตผาอบตผาบ้านนาคางังเลยเชิญชวนญาติพี่น้อง บอกทําบุญให้แม่บ้านที่จากไปเมื่อหปีให้หลังปี 4-8 โอ้ขาวนั้นก็เป็นข่าวที่สลดหดหูพอสมควรอบตผาผาครอบครัวไปเยี่ยมญาติทางจังหวัดจชโสทรพอไปถึงอำเภอกลุ่มพวาปีทางแยกกลุ่มพวาปี รถสิบล้อมันไปจอดโผ่ท้ายออกมาอันนี้ก็วิ่งไปกับหลบรถลไปชนท้ายสิบล้อข่าวนั้นไม่ใช่ว่าตายทั้งหกคนเหรอโอ้ลุงพ่อได้ยินลองพ่อสลดใจตาลูกหลานแต่อปตผาที่ขับรถหลอดไม่เจ็บอะไรมาก ลูกชายแม่บ้านพวกป่าพีป้านาอาหลายคนตายเนี่ยความตายไม่ได้เลือกเว ล, เวลาแต่จะทำยังไงได้คงจะมีบาปมีกรรมเคยทามาในอดีตส่วนหนึ่งปัจจุบันกรรมส่วนหนึ่ง ปัจจุบันกรรมมัคืออะไรคือขาดความรอบคอบในการไปการมาเพราะนั้นโซเฟอร์ทั้งหลายให้ละมัดระวังถ้าระมัดระวังสุดความสามารถแล้วอันนั้นแปลว่าอาดีตกรรมในปัจจุบันเนี่ยรักษาระวียงระวังเต็มที่แล้วก็ยังพลาดขึ้นมาได้นั่นก็ทิ้งไปให้อดีตกรำกรรมในอดีต เราคงจะเคยทำอะไรไว้ไม่ดีในอดีตก ร, รมต้นนั้นจึงมาให้ผลแต่ถ้าว่าเราขาดความรอบครอบในปัจจุบันแล้วก็ประสบปัญหาที่เกิดขึ้นอันนั้นเราว่าปัจจุบันนกรรมกรรมในปัจจุบันของเราขาดความรอบครอบเพราะนั้นเราจะไปทิ้งให้อดีตกรรมอย่างเดียวก็ไม่ได้ต้องดูปัจจุบันนกรรมด้วย การกระทาในปัจจุบันปัจจุบันกรรมคื อ, อยังไงหลวงพ่อหลวงพ่อจะให้เหตุผลว่าเนี่ยเราเดินไปเห็นถนนเนี่ยมันลื่นๆเนมันลื่นๆแต่เราก็ไม่น่าจะเดินไปเพราะมันลื่นแต่เราก็ตามบุญตามกรรมจะว่างันก็เดินไปเมื่อก็หกล้มพอหกล้มลงมาขาแขนหักหัวน็อกพื้น เราจะวาดทิ้งให้กรรมเก่าก็ไม่ได้เพราะอ้ไรพบก็รู้อยู่แล้วมันลื่นมันจระรื่นเราก็เดินเข้าไปอันนี้เรียกว่าปัจจุบันกรรมขาดความรอบครอบถ้าเรารอบครอบอยู่แล้วพยายามดีที่สุดแล้วมันก็ยังสุดวิสัยอันนั้นอีกส่วนหนึ่งอันน่าทิ้งให้อดีตกรรมอันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นอดีตกรรม หรือปัจจุบันนกรรมพวกเราก็สุดวิสัยที่จะเดาในจุดนั้นได้แต่ที่ยังไงพวกเราที่อยู่เบื้องหลังขณะนี้เนะี่ยจะทำอะไรให้ระวยงระวงังจะไปทำแบบขาดความรอบครอบสรุปแปลวถ้าว่าขาดความรอบครอบหนึ่งมันเสียหายได้ง่ายเสียหายได้แต่ถ้าว่าเราทำจนสุดความสามารถแล้ว อันนั้นก็สุดวิสัยคนเรามันก็ต้องเกิดแก่เจ็บตายวันหยาตั้งอยู่ในความประมาทพวกเราคงจะเห็นวันนี้เห็นพวกนาใส่ชุดขาวเข้ามาแปลกแตกต่างกว่าทุกวันคือเมื่อวานนักศึกษาแพทย์มหิดล์นักศึกษาแพทย์โรงพยาบาลศิริราช เคยมาบวชที่วัดเราทุกปีติดต่อกันบางปีก็ไปที่อื่นเมื่อปีสี่สามปีห้าสามปีห้าสามทุกีไปอยู่ที่อื่นปีห้าสี่มาบวชที่นี่ปีที่ปีห้าห้านะมาบวชติดต่อกันหลายปีที่นั่งอยู่ทางขวามือของหลวงพ่อเนี่ยอันนี้เป็นรุ่นพี่นี่รุ่นพี่มาบวชเมื่อปีที่แล้วก็หลายองค์เหมือนกัน ปีนี้ก็มาส่งพวกน้องพวกน้องก็จะมาบวชที่นี่ปีนี้จะมีการบวช9องค์นักศึกษาแพทย์จะมี9องค์เก้าคนที่จะมาบวชพระพราก็ดูร้อนจะบวชวันม า, มาวันนี้แหละวันที่สิเจดที่ผ่านมาแล้วกัวันที่18 19ก็คงจะมีการขา น, นากหลวงพ่อก็คงจะให้พระเนะ่ชยช่วยๆกัน ฝึกหัดขาหนาคและก็ตรวจตราดูบริขารความพร้อมที่จะบวชก็คงจะบวชวันที่25มีนาแต่ทราบข่าวว่าปีนี้คงจะบวชไม่ได้นานเพราะว่าปีนี้น้ำท่วมพอน้ำท่วมแล้วก็การสอนครูบาอาจารย์ที่สอนนักศึกษาก็พยายามสอนให้เต็มคอสเต็มวิชาที่ ที่ครูบาอาจารย์จะต้องสอนก็เลยกินกินเวลาของลูกหลานที่จะมาบวชปีนี้ก็คงจะบวชไม่ได้นานเหมือนปีทุกปีที่ผ่านมาปีนี้คงจะบวชประมาณทักสามอาทิตย์กว่ า, ก, วาก็คงจะลาศิกขาอันนี้ก็คือนักศึกษาที่จะมาบวชแต่ลุงพ่อก็เห็นด้วยนะเห็นด้วยคือนักศึกษาแพทย์เนี่ย เป็นทรัพยากรอันดับหนึ่งของประเทศชาติของโลกเพราะว่าถ้าวาแพทย์ทุกระดับจะแพทย์แขนงไหนก็ต้องรับผิดชอบในชีวิตของพี่น้องประชาชนคนทั้งโลกจะต้องมีศีลธรรมจริยธรรมอยู่ในจิตใจพอสมควรไม่ใช่พอสมควรมากทีเดียวเพราะว่า ถ้าหากว่าเป็นอู่รถนะอู่ซ่อมรถนะก็เป็นผู้มีคุณธรรมในจิตใจเพราะรถที่จะเอาไปซ่อมในอูนะ่เนี่ยต่างคนก็ต่างรักรถของตอนเองอันนี้ยิ่งชีวิตนะคือร่างกายของเราเนี่ยมันมันหายแล้วมันหายไปเลยถึงจะเอามาใส่ใหม่ก็เถอะมันก็ไม่เหมือนของเก่าเพราะนั้น ชีวิตของพวกเราทุกๆคนที่จะเข้าไปอู่ถ้าใครมีเงินมากก็พยายามที่จะต้องได้ใช้เกี่ยวกับเงินก็ไม่เสียดายเงินยิ่งกว่าชีวิตเพราะนั้นผู้ที่เป็นหมอผู้ที่เป็นเจ้าของอู่เป็นผู้ดูแลพี่น้องประชาชนถ้าว่าใครเข้ามาตรวจสุขภาพหรือมา ตรวจร่างกายหรือมารักษาโรคภัยไข้เจ็บหมอทั้งหลายควรจะมีจริยธรรมศีลธรรมอยู่ในจิตใจดูพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าเพื่อให้ความอบอุ่นทา้งว่าหมอขาดศีลธรรมจริยธรรมเป็นหมอพาณิชย์เกือบทั้งหมดพวกเราที่เป็นเจ้าของรถเนี่ยคิดแล้วคิดอีกเหมือนกันนะ เออเพือเ่อจะรักษาตัวเองไม่เผอจะไม่อยากจะเข้าไปหาหมออีกต่างหากตายเป็นตายแล้วพอเข้าไปแล้วก็มีแต่พานิดมีแต่รักษาก็ะอย่างนั้นเพราะเพราะเหตุใดเพราะหมอขาดจริยธรรมสิ่งเหล่านี้หลวงพ่อว่าถ้าว่าลูกหลานทั้งหลายเข้ามาศึกษาเรืษษ่องศีลธรรมจริยธรรมให้ดีแล้วลูกหลานที่เป็นทรัพยากรอันร่าคาของชาติเพราะเหตุใด พวกเราคิดให้ดีหลวงพ่อเคยบอกให้นักศึกษาทุกระดับไม่ว่านักศึกษาแพทย์นักศึกษาทุกระดับที่เราได้รับการศึกษาเป็นทรัพยากรของชาติคือชาติให้การสนับสนุนถ้าว่าใครเรียนเก่งก็เราก็สนับสนุนตามขั้นตอนถ้าว่าใครเรียนระดับหนึ่งก็ส่งเสริมในระดับหนึ่งแต่พวกเรา ทุกระดับผู้ทาํามาค้าขายรวยก็เสียภาษีมากแต่ทุกคนก็ต้องเสียภาษีขนาดหลวงพ่อเนี่ยก็ยังเสียภาษีเหมือนกันนะทําไมจึงว่าหลวงพ่อเสียภาษีพระหลวงพ่อไปเติมน้ํามันรถเนี่ยเขาไม่หักภาษีให้หลวงพ่อนะมูลค่าเพิ่มเกจเขาเอาทุกครั้งเห็น เ, นเนชัดๆแต่พอซื้อสิ่งของสิ่งอื่นมาก็เหมือนกันเนี่ยเขาก็ต้องหักภาษีหลวงพ่อเหมือนกันหลงพ่อออกมาใช้ในวัด เพราะนั่นก็เป็นอนว่าหลวงพ่อต้องเสียภาษีให้แก่หลวงทุกทุกครั้งที่ได้มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นก็จะต้องหักภาษีให้แก่ส่วนกลางนี่แหละสรุปแล้วก็คือทุกคนคนในชาติต้องเสียภาษีให้แก่ชาติบ้านเมืองเพราะฉะนั้นภาษีเหล่านั้นไปไหนก็ไปได้หลายๆทางแต่ถ้าว่าเอามาสร้างอาคาร สร้างมหาวิทยาลัยหรือสร้างเอามาใช้ซื้อเครื่องมือเครื่องมือแพทย์หรือว่าอุปกรณ์ในการเรียนการศึกษาล้วนแล้วจะเป็นเงินภาษีพี่น้องประชาชนที่พวกเรารวมกันไปสร้างอาคารแล้วก็ซื้ออุปกรณ์ในการเรียนการศึกษาจากนั้นก็ให้เงินเดือนแก่ครูบาอาจารย์ที่มาสอนลูกหลาน รวนแล้วต่กินเงินภาษีพี่น้องประชาชนเพราะนั้นพวกเราถ้าจะว่าไปเลยเหมือนกับครอบครัวใหญ่ครอบครัวใหญ่อยู่ด้วยกันอันนั้นก็พี่อันนี้ก็น้องอันนั้นก็พี่ป้าน้าอาถ้าคิดดูให้ดีแล้วก็คือคนในชาติเหมือนกับคนกลุ่มเดียวกันพึ่งพาอาศัยกันไม่ใช่ว่าเราปรปปับมาเป็นหมอเราไม่ได้ใช้เงินพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าเราเป็นหมอเอง เกิดมาเองเป็นเองไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นที่เราเป็นหมอมาได้ก่อนเงินภาษีพี่น้องประชาชนสร้างอาคารเท่าไหร่เงินเดือนของครูบาอาจารย์ที่สอนเราเท่าไหร่เครื่องมือแพทย์ที่เอามาสอนซื้อมาจากที่ไหนราคาแพงเท่าไหร่เป็นเงินของใครสรุปแล้วก็คือเป็นเงินของพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่านี่แหละลุงพ่อเคยพูดให้แนวความคิดแกนักศึกษาทุกระดับ ให้พวกเราได้ดูให้ศึกษาในเมื่อเราเป็นหมอแพทย์เป็นหมอแล้วก็ให้ระ ล, ลึกถึงผู้มีอุปการะคุณพี่น้องลูกหลานทุกคนเป็นผู้มีพระคุณอย่างหลวงพ่อกเหมือนกันหลวงพ่อเป็นพระสงฆ์หลวงพ่อเองก็ไม่ได้ทําไร่ทานาทารู้ทําสวนทรมาค้าขายแต่พี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมเขามาเกี่ยวข้องก็มาทาบุญทาทานมาช่วยเกื้อกูลหนุนในวัดวาศา ส, สนา หลวงพ่อในฐานะพระสงฆ์หลวงพ่อรับจากศรัทธาญาติโยมลูกหลานทุกคนที่เอาจตุปัจจัยมาถวายในเมื่อนำมาถวายแล้วหลวงพ่อก็อมาฉันฉันและก็ส่วนหนึ่งก็ยังลํำลึกถึงพระคุณบุญคุณของพี่น้องประชาชนเวลาไหว้พระสวดมนต์นั่งภาวนาปฏิบัติก็ลํำลึกถึงแผ่เมตตาให้บุญกุศลที่ หลวงพ่อได้บําเพ็ญมามากน้อยยังไงก็ขอให้เป็นพระราณฎร์สง์เกื้อกูลหนุน ล, ลูกหลานขอให้มีความสุขความเจริญจริงๆทั้งทางโลกและทางธรรมอันนี้ลูกพ่อแผ่เมตตาให้แก่คณะสัตยาธิโยเพราะได้รับปัจจัยสี่จากพี่น้องลูกหลานจากนั้นเมื่อได้มาเป็นส่วนหนึ่งก็แบ่งปันให้แก่ชาติบ้านเมืองช่วยโรงพยาบาลช่วย ล, ลําโรงเรียน แล้วก็แบ่งพระสงฆ์สร้างวัดวาศาสนาตลอดถึงพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าที่ได้มีความจำเป็นจะต้องได้ชายจะถูกปัจจัยที่มันผ่านเข้ามาสิ่งเหล่านี้ครูบาอาจารย์พระสงฆ์ท่านก็อยู่ในชุมชนก็เหมือนกับพี่น้องลูกหลานอยู่ในกลุ่มเดียวกันก็ต้องมองกันมองกันด้วยศีลด้วยธรรมให้มีศรรมมีลธรรมมีจริยธรรม มีคุณธรรมในจิตในใจถ้าพวกเราคิดกว้างกว้างคิดกว้างขวางคิดกว้างกว้างออกไปแล้วพวกเราก็จะมองเห็นกันด้วยความเมตตาด้วยความรักเคารพซึ่งกันและกันตามสถานะวั ย, ยวุฒิคุณวุฒิที่อยู่ด้วยกันแต่ทางว่าพวกเราไม่ได้คิดสิ่งเหล่านี้ไว้ในใจเห็นใครก็มีแต่อิจฉาพยาบาทอาฆาตจองเวร อยู่ในจิตในใจแล้วพวกเราจะหาความสงบสุขไม่ได้ในชาติบ้านเมืองนี่แหละศิลธรรมจริยธรรมอย่างที่หลวงพ่อพูดให้ฟังเนี่ยเป็นภาพรวมเป็นภาพที่พวกเราจะต้องศึกษาการอยู่ด้วยกันจะอยู่ยังไงจึงจะได้รับความผาสุขถ้าว่าเป็นทหารก็ต้องรักษาประเทศชาติเป็นรั้วของชาติรักษา ภัยอริจัตรูที่จะเข้ามาลุกรานประเทศทหารก็ต้องปกป้องตำรวจกับพิทักษ์สันติราชกรดูแลหน้าที่ดูแลพี่น้องประชาชนว่ามีความสารถถูกติดยังไงถูกต้องทำอะไรผิดกฎหมายไหมใครบ้างเอารัดเอาเปรียบคนอื่นใครบ้างที่ลังแกซึ่งกันและกันั น, นตารวจกัพิทักษ์สันติราชครูบาอาจารย์ โรงรับโรงเรียนกสอนวิชาความรู้ให้ก่อไก่ข้อไขาจนอันไหนที่จะนักเรียนจะเรียนรู้ได้มหาวิทยาลัยระดับต่างๆอันนี้ก็คือหน้าที่ของครูบาอาจารย์ส่วนที่เป็นทางพวกตีสร้างถนนหนทางสร้างถนนหนทางก็มีหน้าที่ของใครของเราแต่ละแต่ละกลุ่มสรุปแล้วก็คือมีความจําเป็นด้วยการทุกๆระดับ ถ้าว่ามีการทะเลาะเบาแวงกันเกิดขึ้นพิพากษาอายการเป็นผู้ดูแลกฎหมายจุดนี้ใครผิดใครถูกมากน้อยยังไงแค่ไหนอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของกรมหนึ่งอีกส่วนพระสงฆ์ที่อยู่ในวัดวาศาสนาอย่างที่หลวงพ่อเนี่ยก็พยายามเอาธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาให้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจ อย่าทำอย่างนั้นนะพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมอันนั้นผิดนะอันนี้ถูกอันนี้ควรอันนี้ไม่ควรควรปฏิบัติตนดังต่อไปนี้เอาศีลธรรมเข้าสู่จิตใจดังนี้หลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า บ, บรรพบุรุษชาติไทยของเรานับถือมาตั้งแต่นมนานไม่รู้กี่ชั่วอายุคนนับถือพพุทธศาสนาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านสอนว่า พวกเราอยู่ด้วยกันอย่าฆ่ากันนะพระพุทธเจ้าท่านสั่งมาแล้วก็พวกเราก็สั่งสอนต่อบอกบอกกันทางว่าเราคิดฆ่ากันคนนั้นคิดฆ่าคนนี้คนนี้ฆ่ า, าคนนั้นต่างคนต่างฆ่ากันและจะหาความสุขได้อย่างไรจะหาความสงบสุขไม่ได้เพราะคนต่างคนก็ต่างคิดฆ่ากันเพราะฉะนั้นพวกเราอย่าฆ่ากันนะอันนี้พระพุทธเจ้าท่านบอกแล้วก็พวกเราก็นํามาบอกจากนั้นก็พวกเราก็มาพิจนารณาด้วยเหตุผลอีกกว่า จริงไหมที่พระพุทธเจ้ามาให้ฆ่ากันมีความสงบสุขใช่ถ้าคนคิดฆ่ากันจะหาความสุขได้อย่างไรเราคิดฆ่าพอ่อฆ่าแม่ฆ่าสามีภรรยาลูกหลานของเขาเขาก็มาคิดฆ่าเราเราเป็นยังไงมีเราเราจะหาความสุขได้ไหมนี่แหละคือศีลเลยสัมมาณพราหมณ์ระหว่าครูบาอาจารย์พระสงฆ์ท่านจะสอนเลยอธินนาทานอย่าขโมยค น, คนอื่นเขานะ ถ้าเขาขโมยของเราเราขโมยของเขาลนะ่ะจะหาความสงบสุขได้อย่างไรสามีภรรยาของคนอื่นเขาเขาก็รักสงวนสงวนห่วงแหนของเขาของเราก็เช่นเดียวกันต่างคนก็ต่างมีก็ต้องรักสงวนห่วงแหนอย่าไปทําำล่วงล้ำแต่ที่ปตยซึ่งกันและกันจะหาความสงบสุขไม่ได้นะอย่าไปโกหกคนอื่นเขานะจะต้มตุนหลอกหลอกลวงคนอื่นเขานะ ถ้าเขามาต้มตุนหลอกลวงเราะเรามีความรู้สึกอย่างไรศีลห้ากูเหมือนกัน อ, อย่าไปดื่มสุราข้อติห้ 5. ถ้าดื่มสุราเข้าไปแล้วขาดสติเมื่อขาดสติแล้วทาความชั่วเสียหายมากมายนะนี่แหละศีลธรรมที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์พระสงฆ์ที่ท่านเอามาบอกกล่าวให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษาแล้วว่าศีลธรรมจริยธรรม ถ้าพวกเราอยู่ในกรอบขอบเขตของศีลธรรมจริยธรรมแล้วอยู่ด้วยกันมากน้อยก็มีแต่ความสงบพาสสุกแล้วก็มีเมตตามีน้ำใจมีการเสียสละต่อกันอย่างที่หลวงพ่อได้พูดว่าหน้าที่ของของคนของเราคนในชาติคือคนละหน้าที่หมอก็คือรักษาสุขภาพพี่น้องประชาชนทหารก็เป็นผู้รักษาประเทศเป็นรั้วของประเทศตำรวจก็พิ ทักสันติราชดูแลพี่น้องประชาชนครูบาอาจารย์ก็แนะนำสั่งสอนสอนวิชาความรู้ให้แก่ประชาชนนี่แหละผีภาคสาธ า, ารก็ดูกฎหมายของพี่น้องประชาชนอาหารพวกเกษตรทั้งหลายพวกนั่นก็ดูแลเรื่องอาหารการบริโภคของพี่น้องประชาชนคมนาคมก็ดูแลเรื่องถนนหนทาง สรุปแล้วก็คือมีความจําเป็นด้วยกันทุกคนแต่ถ้าว่าคนใดคนหนึ่งเบี้ยวซะเองดซะรักทหารก็ไม่รักษาประเทศชาติจะเป็นยังไงตํารวจก็ไม่พิทักษ์สันติราชจะเป็นยังไงหมอไม่รักษาคนไข้เป็นยังไงสิ่งเหล่านี้คือมันขาดไปเปน็นอันไปเหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ขอให้คณะเราคณะสัทยาญาติโยมทั้งหลายคนในชาติทุกๆ ท, ท, ท่านนะได้ยินได้ฟังหลวงพ่อพูดเนี่ย นำไปคิดนำไปพิจารณากันกองไตรตรองโดยเหตุและผลแล้วพวกเราจะปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามความเหมาะสมให้มีศีลธรรมจริยธรรมที่ดีพวกเราจะมีแต่ความสุสงบผาสุขอยู่ณสถานที่ใดไปณสถานที่ใดก็มีแต่ความผาสุขร่มเย็นเป็นสุขตามอัตภาพแต่นั้นก็อย่าลื ม, ลมอย่าลืมทําคําสอนของพระพุทธเจ้าส่วนหนึ่ง พระพุทธเจ้าสอนมีหลายระดับระดับนี้คือระดับความดูด้วยกันพร้อมเพียงสามัคคีในการอยู่ด้วยกันแต่ส่วนลึกลงไปอีกพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าพวกท่านทั้งหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาทนะอย่าตั้งอยู่ในความประมาทนะชีวิตนี้ถึงจะเลี้ยงดีขนาดไหนก็ดีเถอะอาหารดีขนาดไหนยาดีขนาดไหนผ้านุ่งห่มสวยงามหรูหราดีขนาดไหน ที่อยู่อาศัยโออาอ์ดีขนาดไหนแต่ร่างกายนี่ก็ยังเป็นอื่นอยู่เสมอนะพวกท่านทั้งหลายนะเป็นอื่นยังไงก็คือเลี้ยงเลี้ยงไปเลี้ยงไปคิดว่ามันจะหนุ่มจะสาวจะแข็งแรงไปข้างหน้าไม่ใช่นะมันจะแกะเ่เดี๋ยวคุณเลี้ยงไปเท่าไหร่ก็ผมงอกฟันหลุดตาฝ้าฟางหงตึงหนังเหี่ยวหลังค่อมไปเรื่อยเลยเพราะในสุ ด, สดถึงจุดจบถึงจะเลี้ยงดีขนาดไหน ไม่มีใครที่จะเลี้ยงร่างกายนะี้จะเป็นหนุ่มเป็นสาวสวยงามต่อไปภายภาคหน้าเคยมีไหมไม่เคยมีเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านว่าอย่าตั้งอยู่ในความประมาทนะนี่แหละ เ, เรื่องการโ ส, สงหาทรัพย์ก็จำเป็นสำคัญเลี้ยงร่างกายการเป็นอยู่อย่างที่ว่าอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวทำตามสถานะของตนแต่ทุกสถานะของตนเหล่านั้นจะต้องแก่เจ็บตายในที่สุด ตายแล้วไม่สูญ น, นะพระพะุทธเจ้าตายแล้วไม่สูญ น, นะนี่แหละทำคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะเราได้ไปพิสูจน์ดูแล้วเราได้ไปพิสูตน ด, ดูแล้วในวันเดือนหกเพนตายแล้วไม่สู์ตายแล้วเกิดอีกสิ่งที่ให้เกิดนั่นคืออะไรใจคือน้ามะธรรมตัวนั้นแหละสำคัญมากตัวน้ำมะธรรมสาคัญมากตัวนั้นตัวนั้นเราไม่ตาย พระพุทธเจ้าจึงยกเป็นพระบาลีขึ้นว่ามโนปุพังขามาธรมามโนเสถามโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วรวยใจใจนั่นแหละไม่ตายออกจากร่างนี้แล้วจะไปปฏิสนธิจะไปหาเกิดที่อื่นนะออกไปที่นี่ออกจะไปไปเกิดที่อื่นนะก่อนที่จะไปที่อื่นนั้นต้องดูนะถ้าใครมีบาปมีกรรมนะแต่ถ้าว่าใครทําบาปทํากรรมบาปกรรมจะตามไปสนองพาไปเกิด ถ้าใครทำบุ ญ, บญก็จะพาไปาไปสู่สุคติเพราะนั้นพวกท่านทั้งหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาทถึงจะเลี้ยงอยู่ดีมีสุขขนาดไหนก็เถอะอยู่ในโลกนี่อีกสักวันหนึ่งต่างคนก็ต่างแบมือลาลาโลกไม่มีใครที่จะอยู่โชกฟ้าดินสลายได้ออีกสักวันหนึ่งถึงจุดจบเพราะนั้นพวกท่านทั้งหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้สังสมคุณงามความดีให้สังสมบุญกุศลเอาไว้ ส่วนร่างกายเราก็พยายามทำอย่าให้ขาดตปกปกพ่องในการสะแสวงหาทรัพย์ในการเป็นอยู่แต่ส่วนลึกทางด้านจิตใจแล้วพวกท่านอย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้สะแสวงหาทางต่อไปภายภาคหน้าที่จะไปสู่ปารโลกภายภาคหน้านั้นต้องหาเอาไว้นะเตรียมเอาไว้นะให้ศึกษานะถ้าไม่รู้ก็ให้ศึกษาเอาไว้นะหนทางจุดนั้นนะฉะนั้นขอให้พวกเราคณะสา ย, ยาิโยมทุกๆคนนะ ที่หลวงพ่อพูดให้ฟังในวันนี้ก็เป็นแนวทางสำหรับพวกเราให้ได้ฟังได้ศึกษาเป็นแนวทางเป็นแนวความคิดตลอดเบื้องต้นที่นักศึกษาที่เขามาบวชทาตนอย่างไรมีหน้าที่อย่างไรเมื่อปิจบเป็นแพทย์เป็นหมอแล้วแล้วก็พวกเราทุกๆกคนอยู่ในสถ า, านะอย่างนี้เราปฏิบัติตนอย่างไร แต่ละศฐานะอย่างตรงหลวงพ่อเป็นต้นแล้วก็พร้อมกันก็ะย่ตตั้งอยู่ในความประมาทถึงจะอยู่ดีมีสุขถึงถึงขนาดไหนก็เถอะอีกสักวันหนึ่งต่างคนก็ต่างแบะมือให้เขาลดน้ำลดน้ำใส่ฝามือด้วยกันทุกคนนะไม่มีใครที่จะหลีกลหนีพ้นจุดนั้นไปได้ตายแล้วไม่สูญเถอหลักของพุทธศาสนาให้ศึกษาจุดนี้เถอะให้ศึกษาจุดนี้นะ ที่ว่าตายแล้วไม่สูญทำยังไงถา้าจบเพียงแค่นั้นมันจบนะถ้าศึกษาต่อไปอีกเหมือนกับเราจบป .4 แล้วก็ต้องมัธยมมัธยมเสร็จแล้วก็นั่นปริญญาตรีโทเอกไปเรื่อยๆนี่ก็เหมือนกันนะั่นแหละการศึกษาไม่มีที่สิ้นสุดอเสขะเสขะอาเสขะเสขะผู้ยังต้องศึกษานะอาเสขะแปลว่าจบการศึกษา อาเสขาเนแะปลว่าเป็นพระาราหันแล้วหมดกิเลสจบกิเลสจบในการสอนจบในจบในการเรียนเนะียว่าอาเสขานะพวกเรายังเป็นเสขาอยู่ยังต้องศึกษาไปเรื่อยๆนะตอนนี้ไปรับพรอนโมธนาให้พร